เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อนใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกพฤศจิกายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสาวนะสร้างที่พึ่ง ให้แก่จิตใจชีวิตของเรามีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายและจิตใจทั้งสองส่วนนี้ก็จะจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งต่างกันตรงที่สิ่งที่พึ่งนั้นไม่เหมือนกันทางร่างกายก็ต้องการปัจจัยสี่คือ ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งมหม่มยารักษาโรคและอาหารนี่คือที่พึ่งของร่างกายถ้าร่างกายมีที่พึ่งคือปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ร่างกายก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายส่วนใจ ก็จำเป็นจะต้องมีที่พึ่งเหมือนกันที่พึ่งของใจคือปัจจัยสี่ของใจนี้ก็คือทานศีล ส, สมาธิและปัญญานี่คือที่พึ่งของใจถ้าใจมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจจะมีพลังที่จะ ต่อสู้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่วิสทกสถานไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจขาดปัดจจัยสีทางใจคือการทานศีลสมาธิและปัญญาใจก็จะถูกความเดือดร้อนของทางร่างกาย มาเหยียบย่ำทำลายสร้างความทุกข์สร้างความว่าวุ่นขุ่นมั่ให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุดไปดังนั้นพวกเราจึงควรให้ความสำคัญในการสร้างสราราะสร้างที่พึ่งทั้งสองส่วนสรารณะของร่างกายพวกเราก็มีกันพร้อม อยู่แล้วเพราะถ้าไม่พร้อมชีวิตของพวกเราก็คงจะไม่สามารถอยู่มาได้จนถึงบัด น, นี้ <Yeah. S 1> แต่เนื่องจากเรามีปัจจัยสี่พอเพียงต่อความต้องการถึงแม้จะไม่มากมายถึงแม้ว่าจะมีการขาดแคลนบ้างบางครั้งบางเวลา แต่ก็พอถูถ่ยพออยู่มาได้แต่จิตใจของพวกเราเป็นอย่างไรมีความสุขสบายใจตลอดเวลาหรือว่ายังมีความว่าวุ่นขุนบัวมีความทุกข์มีความวิตกกังวลเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่คือเรื่องที่เราควรจะให้สาคัญความสำคัญคือ ความทุ่มความเดือดร้อนของใจที่เราสามารถปัดเป่าไม่ให้มีเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราสร้างสาระสร้างปัจจัยสี่ของใจให้เกิดขึ้นมาอยู่ภายในใจของเราดังที่ท่านทั้งหลายได้มา บ, บำเพ็ญกันในวันนี้ก็ได้มาทำบุญให้ทา มารักษาศีน์มานั่งสมาธิทำใจให้สงบและมาเจริญปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งเพราะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ถ้านำไม่นำเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวก็จะจางหายไปจากใจ ยังเป็นความจําอยู่ถ้าจาได้ก็อยู่ถ้าจําไม่ได้ก็จะหมดไปแต่ถ้านำอาไประลึกอยู่เรื่อยเรืเรียกว่าภาวนาการระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ า, ชาอยู่เรื่อยๆนี้เรียกว่าภาวนาเรียกว่าการเจริญปัญญานะถ้ามีการระลึกอยู่เรื่อยๆแล้วใจก็จะมีปัจจัยสี่ที่สำคัญ มาคอยรักษาใจไม่ให้ว้าวุ่นขุนมัวไม่ให้ทุกไปกับเรื่องราวต่างๆปัญญานี้เป็นปัจจัยสี่ที่เรียกว่ายารักษาโรคเรียกว่าธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคใจโรคของใจก็คือความทุกข์ความเครียดความว้าวุ่นขุนมัว ความเดือดร้อนความวิตกกังวลความอะไรอวรเศร้าโศกเสียใจต่างๆด่านี้เป็นโรคของใจที่ยารักษาโรคของร่างกายไม่สามารถรักษาได้ต้องใช้ยารักษาโรคทางใจก็คือธรรมะโอสถก็คือปัญญานี้เองปัญญาจะเกิดขึ้นได้ ก็มีอยู่สามทางด้วยกันเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีปัญญาอยู่ในตัวเราเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้รับการสั่งสอนจากผู้อื่นเช่นตอนที่เราเกิดมาเราก็ได้พ่อแม่เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนให้เรารู้จักการดูแลรักษาร่างกายของเรา ให้รู้จักรับประทานอาหารดื่มน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำอาบท่าเหล่านี้ก็เป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาสำหรับทางร่างกายปัญญาทางใจนี้ต้องเป็นเรื่องของของความผิดถูกดีชั่วของความจริงของความหลงเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาทางใจ อย่างน้อยเริ่มต้นเราก็มีปัญญาทางร่างกายให้เราได้ดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่เป็นไปอย่างปกติให้รู้จักหาปัจจัยสี่ต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายของเราการมาฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกับการได้รับการศึกษาหรือการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะทรงสอนให้เรารู้จักรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ทรม า, านกับเรื่องราวต่างๆการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาภายในใจของเราภาษาพระท่านเรียกว่าสุตมะยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราเอาไปปฏิบัติต่อก็จะเรียกว่าภาวนามยัปัญญาคือเราต้องเอาไปใข้ครวนคิดอยู่เรื่อยๆคิดจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมถ้าเราไม่เอามาคิดเดี๋ยวเราก็จะลืมไปเรื่องปัจจัยสี่ของจิตใจว่ามีอะไรบ้าง วันนี้ยาติโยได้ยินได้ฟังแล้วว่ามีทานซึ่งเปรียบเหมือนอาหารของจิตใจศีลซึ่งเปรียบเหมือนเสื้อผ้าอภารยของจิตใจสมาธิเปรียบเหมือนที่อยู่อาศัยของจิตใจและปัญญาเปรียบเหมือนยารักษาใจรักษาโรคของใจ ถ้าไม่เอามาลำลึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะหลุดไปแล้วก็จะไม่สนใจที่จะคอยหาปัจจัยสี่ของใจมาดูแลรักษาใจก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปหาแต่ปัจจัยของร่างกายแล้วก็หาปัจจัยของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวที่จะ มาสร้างความทุกข์สร้างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้แก่จิตใจแต่ถ้าเรานำเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้ใจของเรายังมีความทุกข์อยู่ยังมีความวิตกกังวลว่าวุ่นขุนมัวอยู่เราต้องหายามารับประทานเราต้องพยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาด้วยการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้พวกเราสร้างปัจจัยสี่เพื่อมาดูลรักษาใจเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราต้องทำทานอยู่เรื่อยๆเพื่อใจของเราจะได้มีอาหารหล่อเนืยงให้มีความอิ่มมีความสุขเราก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาสีเพื่อใจของเราจะได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามเป็นที่ชื่นชมยินดี การรบนะถือของผู้อื่นและจะปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ไปตกต่ำไม่ให้ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้ามีศีลแล้วศีลนี้จะไม่ให้เราไปตกนรกไม่ให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็ ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีน่าเคารพสักการะบูชาเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่พวกเรากราบว่าบูชากันทุกวันนี้ก็เพราะว่าท่านมีศีลที่บริสุทธิ์นั่นเองกายวาจาของท่านเป็นกายวาจาที่สะอาดบริสุทธิ์ การกระทำทางกายการพูดทางวาจาจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อผู้อื่นผู้ที่มีศีลจึงเป็นที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือเป็นเสื้อผ้าอภรร์เหมือนพวกเราเวลาเราออกจากบ้านเราก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนเราไม่กล้าออกมาในชุดนอน เพราะเราไม่อยากจะให้คนเขารำเกียดเราเราอยากจะให้คนเขาชื่นชมยินดีกับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราสวมใส่ที่สวยงามฉันใดถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นชื่นชมยินดีและรักเราเคารพเราอย่างอย่างแท้จริงเราต้องมีเสื้ออาภรณ์ทางใจเพราะเสื้ออาภเพื่อเสื้อผ้าอาภรณ์ทางใจนี้เป็น เสื้อผ้าอาภรณ์ที่แท้จริงไม่มีวันจืดจางเหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของร่างกายถึงแม้จะสวยใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเสื้อผ้าอาภรณ์ทางใจนี้ขาดวินก็จะไม่เป็นที่น่าเคารพนับถือน่ารักน่าชื่นชมยินดีแต่กายสวยงามขนาดไหน แต่ถ้าทำบาป ท, ทำกรรมพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงรักขโมยประพฤติผิดประเวณีเสพสุรายาเมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะไม่เป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีไม่น่านับถือไม่น่าศักการะกราบว่าบูชาดัางนั้นถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นเขาชื่นชมยินดีรักและเคารพเรา และเรามีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวต่อการขารหานินทาต่างๆของผู้อื่นเนื่องจากว่าเราไม่มีอะไรให้เขาขารหานินทานั่นเองเราไม่ได้ทำบาป ท, ทำกรรมเรามีเสื้อผ้าอภรรตที่สวยงามสวมใส่ยังไม่มีใครกล้ามาตำหนิว่าเราใส่เสื้อผ้าไม่สวยไม่งามได้นี่คือ สิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาทานแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิ <C ül> <C ül> <Food Lady> เพราะสมาธินี้เป็นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบดภัยต่างๆเวลาที่ร่างกายมีภัยอะไรต่างๆมามาลังควานเช่นน้ำท่วมใจของเราถ้ามีสมาธิใจของเราจะมีที่หลบภัย เวลาเราเข้าสมาธิแล้วใจของเราจะไม่รับรู้ไม่เดือดร้อนกับภัยพิบัติของทางร่างกายร่างกายจะไม่มีบ้านอยู่จะไปหลับนอนอยู่ตามที่บ้านของคนอื่นหรือศูนย์อพยพใจก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรจะรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ที่บ้านของตนถ้ามีสมาธิใจจะมีความสุข มีความสบายแต่ถ้าไม่มีสมาธิใจก็จะเกิดอารมณ์หนุนหงิดว่าวุ่นขุ่นบัวเวลาที่จะต้องไปอยู่ที่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของตนและต้องอยู่แบบผู้อาศัยแบบไม่มีอะไรครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนอยู่ที่บ้านใจก็จะเกิดความว่าวุ่นขุ่นบัว เกิดความเครียดเกิดความเศร้าหมองได้เนี่ยแต่ถ้าใจมีสมาธิเข้าสมาธิได้ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องหาสิ่งต่างๆมาคลายเครียดเหมือนกับที่ศูนย์อพย์เขาต้องมีเพื่อให้คลายเครียดกันเช่นมีทีวีมาให้ดูมีเครื่องเล่นกีฬาต่างๆมาให้เล่น หรือพาไปชมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อคลายความเครียดที่เกิดจากการต้องบบพยพออกจากบ้านมาแต่สำหรับผู้ที่มีสมาธิหรือเข้าสมาธิได้ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านี้เพราะสามารถเข้าไปในสมาธิทําใจให้มีความสุขได้ และเป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูโทรทัศน์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือเล่นกีฬาต่างๆมีความแตกต่างกันมากความสุขของสมาธิกับของของการไปทำอะไรต่างๆทางร่างกายดังนั้นผู้ที่มีสมาธิแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง ไปหาสิ่งต่างๆมาระบายความเครียดเพราะว่ามีมีสมาธิเป็นที่หลบภัยที่เกิดขึ้นทางร่างกายเพียงแต่ว่าสมาธินี้เป็นที่หลบภัยได้ชั่วคราวเพราะว่าต้องถึงเวลาแล้วใจก็จะต้องออกมารับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆ เหมือนกับร่างกายที่อาศัยบ้านหลับนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกไปทำธุระต่างๆไปทำมาหากินหรือไปหาความสุขต่างๆภายนอกบ้างสมาธิก็เช่นเดียวกันสามารถอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องออกมาพอออกมาก็จะต้องมารับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ถ้าไม่มีปัญญาคื อ, อยารักษาโรคให้ใจไว้รับประทานเดี๋ยวใจก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาได้เวลาเห็นหรือคิดถึงบ้านของตนว่าถูกจมน้ำและตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ถ้าไปคิดอย่างนั้นใจก็จะเกิดความเครียดได้แต่ถ้าเราเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงสอนให้เราเราเลอกอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาในโลกนี้จะต้องพบกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรคงเส้นคงวาและไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดมีมามีไปมีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับ มีน้ำท่วมได้เดี๋ยวน้ำท่วมก็หมดไปได้เวลาไม่มีน้ำท่วมเดี๋ยวมันก็กลับมาท่วมใหม่ได้เพราะนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆถ้าใจเราคอยลำาลึกอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวาย ถ้าเรานำนึกถึงคำสอนอีกคำหนึ่งที่สงสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราวเราได้มาไว้ครอบของระยะหนึ่งไม่นานก็จะต้องมีการพัดพรากจากกันเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็อาจจะจากเขาไปก่อนเพราะว่านี่คือ ภาวะของเราและของสิ่งต่างๆเรามาเกิดเราก็มาได้ร่างกายแล้วเราก็มาได้สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆได้เพื่อนได้ญาติพี่น้องได้อะไรต่างๆพอถึงเวลาที่เราตายไปเราก็ต้องไปตามลําพังไปคนเดียวเราไม่สามารถเอา สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆติดตัวเราไปได้หรือในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่สิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆก็อาจจะต้องจากเราไปก่อนก็ได้เช่นอยู่ไปคนที่มีอายุมากกว่าเราเช่นปู่ย่าตายายบิดามารดาพี่ป้าน้าอาก็อาจจะต้องจากเราไปก่อนเพราะนี่เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่เป็นของใครไม่มีอะไรเป็นของใครทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าเราคอยสอนใจของเราอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยใจของเราก็จะยอมรับความจริงแล้วก็จะไม่อยากอ ย, กอยู่ไปนานๆไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นสิ่งคนนี้อยู่กับเราไปตลอด เราพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นพอเราพร้อมแล้วใจของเราก็จะไม่เกิดความทุกขขึ้นมาใจของเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับเราได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะระบาดถ้าเรามีวัคซีนเวลาเกิดโรคระบาดเช่นตอนนี้หลังจาก เวลามีน้ำท่วมนี้แล้วก็อาจจะมีโรคระบาดต่างๆเกิดขึ้นถ้าเราได้รับการฉีดวัคซีนไว้ก่อนเราก็จะไม่ติดโรคฉันใดถ้าเรามีธรรมโอสฐ์ไว้คอยดูแลรักษาใจของเราด้วยการระลึกอยู่เรื่อยๆถึงคำสอนทั้งสองประการนี้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเรา พอเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ยุดไม่ติดเราก็จะพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเปลี่ยนไปเขาจากเราไปเพราะเราไม่คิดว่าเป็นของเรานนั่นเองนี่คือปัญญาที่เรียกว่าภาวนาไมายปัญญาถ้าเราคิดเพียงเป็นครั้งเป็นครา ว, วอย่างนี้เรียกว่าจินตาไมายัปัญญา จินตาก็คือความคิดนี่เองถ้าเราคิดบ้างไม่คิดบ้างเรียกว่าจินตามียาพัญญาถ้าเวลาเราคิดก็เหมือนกับเรามียาเวลาที่เราไม่คิดเราก็อาจจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะเราเผลอเราลืมไปพอเราไม่คิดเราก็จะเผลอไปยึดไปติดไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาจนไม่มีความลืมเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าภาวนามายะปัญญาถ้าเป็นภาวนามายะปัญญาเราก็จะสามารถตัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวรแต่ถ้าเป็นจินตามายยะปัญญา เราก็จะตัดได้ในช่วงที่เราคิดถ้าเราเผลอเราไม่ได้คิดแล้วเราไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะทุกขึ้นมาทันทีดังนั้น <c oughs> เราต้องพยายามสร้างปัญญาให้เป็นภาวนาไมยะปัญญาให้ได้คือให้มีอยู่ในใจของเราต่อและตลอดเวลาไม่มีเวลาหลงหลืมลืมเผลอเลย แต่ในเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยสุตมะยะปัญญาก่อนคือเราต้องศึกษาก่อนได้ยินได้ฟังก่อนเช่นการฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาให้เกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาเมื่อเราได้ความรู้นี่แล้วเราก็ต้องเอาไปรักษาด้วยการระลึกอยู่เรื่อยๆในเบื้องต้นเราก็อาจจะระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้าง คิดบ้างไม่คิดบ้างตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นจินตามายาปัญญาเวลาใดที่เราคิดได้เวลานั้นเราก็จะไม่ทุกข์เวลาใดที่เราเผลอไม่ได้คิดเวลานั้นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราจะยึดจะติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากนี่แหละที่จะเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเรา แต่ถ้าเราสามารถคิดได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเวลาเราเห็นอะไรเราก็จะคิดว่าไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดเราก็จะไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราก็พร้อมที่จะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นไปตามธรรมชาติของเขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะมียารักษาโรคใจเราตลอดเวลาทำให้เรานี้จะไม่มี โลกของจิตใจคือความเครียดความว้าวุ่นความขุ่นมัวความวิตกกังวลความเศร้าส้อยง้อยเหงาต่างๆเลยนี่คือปัจจัยสของจิตใจที่จะเป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเพราะสารณะทางใจนี้ผู้อื่นทำให้เราไม่ได้ไม่เหมือนกับสาระทางร่างกาย เช่นตอนที่เราเป็นเด็กๆเราก็อาศัยสาระที่พ่อแม่มอบให้กับเราอาศัยบ้านของพ่อแม่อยู่อาศัยพ่อแม่ทำอาหารให้รับประทานหาเสื้อผ้ามาให้ใส่หามาหายามารักษาให้แต่เรื่องของจิตใจนี้คนอื่นทำให้เราไม่ได้มีได้มีแต่ให้คำสอนเท่านั้นว่าควรจะสร้างสาระที่พึ่ง ทางใจนี้ขึ้นมาได้อย่างไรแต่เราจะต้องเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้ทำบุญให้ทานอยู่อย่างสม่าเสมอตราบใดที่เรายังมีเงินทองเหลือเฟือเกินกว่าที่เราจาเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เงินทองส่วนนั้นยังจะต้อง เอามาทำบุญให้ทานต่อไปแล้วเราก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เรื่งต้นรักษาศีลห้าแล้ววันพระก็รักษาศีลแปเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั่งสมาธิได้ง่ายรักษาศีลห้านี้จะทาให้นั่งสมาธิได้ยากกว่าการรักษาศีลแปเวลารักษาศีลแป น, นี้ใจจะไม่ไปว้าวุ่นกับการ หาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีเวลามาทุ่มเทให้กับการทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิแล้วเมื่อเราออกจากสมาธิมา<อ>เราก็ต้องระลึกถึงพระธรรมคำสอนอคือปัญญาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอไม่มีอะไรเป็นของเรานี่คือหน้าที่ของเรา ตนเป็นที่พึ่งของตนอยู่ตรงนี้อยู่ที่การสร้างสาณะที่พึ่งทางใจนี้ให้กับเราเองถ้าเรามีความศรัทธาและมีความภาคเพียงที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอีกไม่นานใจของเรานี้จะไม่รู้สึกวุ่นวายไม่มีความทุกข์ทรมานใจไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความซึมเศร้า นี่มีความเศร้าโศกเสียใจมาลบกวนใจเราเลยเราจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลนของร่างกายและเหตุการณ์ที่มากระทบกับร่างกายไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงไม่ว่าจะมีน้ำเทื่ยมหรือไม่กระตามไม่ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่กระตามใจของเราจะไม่เดือดร้อนเพราะใจของเรามีสาระมีที่พึ่งนั่นเอง จึงขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการสร้างสรณะที่พึ่งทรรใจด้วยการหมั่นทำบุญรักษาสีนั่งสมาธิและเจริญปัญญาเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายที่จะมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา